การที่พวกเรามานั่งปฏิบัติธรรมมานั่งธรรมะกันอย่านึกว่าเราจะไม่รู้ไม่เห็นจะทำไม่เป็นอย่างที่คนอื่นเขาทำได้กันทุกๆ ก, การกระทำไม่ว่าเราจะภาวนาว่าสมมารัสมมาอ สัมมาอรหังคำภาวนาทุกๆคำของเราเราก็ได้บุญทุกคำสัมมาอรหังสัมมาอรหังแต่ละครั้งแต่ละครั้งบุญก็เกิดขึ้นทุกทีทุกทีนั่นงธรรมะกางใดบุญก็เกิดขึ้นพอกปูนขึ้น เรามาอยู่ทางธรรมอย่าประมาท ต, ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆทำไปตลอดเวลาแบ่งเวลาโลกและธรรมโลกก็ไม่ให้เสียธรรมก็ไม่ให้เสียทำไปอย่างไม่ต้องกลัวใครเขาจะมาว่าใครเขาจะมาห้ามใครเขาจะไม่พอใจ ให้นึกว่าเราทำให้พระพุทธเจ้าให้พระพุทธองค์ต้นท่าต้นธรรมก็พอละทำไปเรื่อยๆทังสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จ เวลาเราที่กระทาบุญไม่ว่าที่เรามาปฏิบัติทุกวันพระหัตทุกวันศุกร์ทุกครั้งที่เราร่วมใจปฏิบัติเสร็จแล้วจะอนุโมทนานสาธุการแล้วก็อธิษฐานบุญ ไม่ว่าพระวิทยากรพระอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ใดในขณะที่ท่านให้พรหรือนำอธิษฐานพวกเราต้องรู้จักอธิษฐานเช่นเวลาพระอาจารย์ท่านเริ่มยะถาสปีขึ้นไปเราต้องจด ใจเข้าที่ศูนย์กลางกายนึกองค์พระให้ใสนึกดวงแก้วให้ใสแล้วก็เริ่มอธิษฐานในระหว่างที่พระให้พรพระเดช พ, พระคุณหลวงพ่อวัดปักน้ำต้นสอนว่าเวลาที่พระให้พร น, นี้คำอธิษฐานที่พวกเรากำหนด เข้าสูส่ศุนย์กลางกายฐานที่เจ็นี้คําอธิษฐานที่เราอธิษฐานนี้จะติดเข้าไปถึงพระติดไปกับพรของพระด้วยคําให้พรของพระก็จะดังไปถึงพระนิพพานจะนําเอาคําอธิษฐานที่เราอธิษฐานไว้ดีแล้วไปสู่พระนิพพานทีเดียวฉะนั้นเวลาที่ เราพระอาจารย์ทั้งหลายให้พรพวกเราก็ให้ทุกๆ ท, ท่านกำหนดจิตเข้าสุนกลางกายสุดละเอียดที่สุดเข้าวดวงแก้วที่กลมไส้ดวงที่สุดละเอียดที่สุดหรือองค์พระที่ใสที่สุดหรือกำหนดใจนิ่งแน่นเข้าสุนกลางกายของพวกเราแล้วก็นึกอธิษฐานแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประเสริฐ สิ่งที่อยู่ในฝ่ายสัมมติติมันทาเสมอๆทุกครั้งที่มีการกระทำงานบุญเราก็จะทำได้โดยอัตโนมัติจิตก็จะลั่นคำอธิษฐานในสิ่งที่ประเสริฐให้ดังกล้องไปถึงผังพนิพพานให้ดังไปถึงต้นท่าต้นธรรม ต้นในต้นต้นในต้นที่สุดละเอียดที่สุดพระองค์ท่านจะได้ส่งบุญศักดิ์สิทธิ์บุญบารมีลัสมีกำลังลิศอำนาจอานาจสิทธิสิทธิเฉียบกาเข้าสู่ศูนย์กลางกายของเรา